่วงนี้อย่างที่เรารู้นะเป็นเทศกาลกระถิ่ะเฉพาะในเครือข่ายของวัดป่าสุขโตก็มีท่ากระถิน่นติดๆกันนะเริ่มที่วัดภูเขาทองแล้วต่อมาก็วัดป่าสุขโต แล้ววันนี้ก็ทอดทินีนะพูหลงก็ไม่ใช่ว่าสุดท้ายนะวัดสุดท้าย <c oughs> สถานที่สุดท้ายก็เนี่ยอาสมบริยธรรมอาทิตนางานกระถินเนี่ยมันเป็นทั้งงานบุญแล้วก็งานรื่นเริง แต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยก็ไปแต่งงานบุญเฉยๆนะตั้งแต่สมัยพุทธการก็เป็นงานบุญแต่ต่อมาต่อมามันก็มีมิติด้านวัฒนธรรมเข้ามาก็เลยกลายเป็นงานรื่เนเริงไปด้วยงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสงบสํารวม เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นสาระเพื่อทำให้เกิดความเจริญงอกงามในจิตใจส่วนงานเรื่องนี้จะมีลักษณะที่อาจจะดูเหมือนตรงข้ามนะก็คือสนุกนะสนุกแล้วก็บันเทิง คนไทยสมัยก่อนก็เชื่อมการบุนกับงานรื่งงนเริงเข้าด้วยกันนะเรียกว่าผูกติดกันเลยจริงๆคาว่างานเนี่ยคำว่างานเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็รื่นเรองทั้งนั้นแหละ <c oughs> ไม่ว่างานบวชงานแต่งงานขึ้นบานใหม่แล้วทั่างงานศพ ก็มีทั้งการทำบุญแล้วก็มีงานรื่นเริงนะที่เด่นเดก็คือมหมอรศมีมหมอรศบไม่แต่งานอาวมงคลงานงานศพก็ยังมีความรื่นเริงมีความสนุกนแต่ว่าระยะหลังเนี่ยนะมันงานบุญก็ค่อยค่อยค่อยค่อย เลือนหายไปนะมันกลายเป็นงานดื่อเดืองซะเยอะบางทีก็เกินขอบเขตไปเช่นมีหมอศพกันสามวันสามคืนไม่ใช่แค่ริเกรหรือว่าหมอลำใช้หนัง ดูอลองเพลงลูกทุ่วบางทีก็มีระบบาจำบ้างมาอันนี้ก็เคยเป็นข่าวคราวที่จริงก็มีอยู่ทั่วไปนะแล้วลรื่นเรองก็ทีมก็รื่นเรองก่อนขอบเขตถึงขั้นว่าเล่นไพ่ตั้งวงพ น, นันกินเหล้ากันนะอันนี้มันก็เป็นเป็นวิวัฒนาการนะนะ ที่จริงถ้าว่าทำให้มีขอบเขตพอสมควรก็จะดี น, นดีนะที่หลวงพ่อเขียนท่านได้ไดเริ่มมาไวนะตั้งแต่แรกๆเลยก็คือว่าไม่ให้มีงานลื่นเลื่องมากเกินไปให้มันมีพอประมาณจำได้ว่าสมัยที่สมัยใหม่ใหม่เนี่ยมาอยู่ ว่าบวชใหม่ๆจริงๆไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก่อนบวชด้วยซ้ำตอนที่มาทอดผ้าป่าข้าวที่วัดภูกระทองนะปีสองสามตอนนั้นยังเห็นยังเห็นวิกฤิกเกอยู่เลยมีวิกฤิกเกหรือหมอนลำก็ไม่รู้ตั้งอยู่นะลิม ริมสนามสมัยก่อนนี่มันเป็นลานกว้างนะยัไม่มีอาคารศูนย์เด็กเล็กต้นนิโครยก็ยังไม่เห็นมีแต่ศาลาแล้วก็กุฏิพระแต่ว่าไอวิคฤิเกเนี่ยหรือโลวงฤิเกรหรือว่าอะไรสักอ ย, ย่างที่เป็นเพิงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานนานแล้วเพราะหลวงพ่อท่าน ไม่สับสนุนนะในการที่จะมีมรสศพนะกรกะถิ่นเนี่ยนันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะในสมัยก่อนนี่นะแม้ว่างานบุญกับงานรื่นเริงจะมาควบคู่กันนะในในเทศกาลกระถินแต่ว่า มันก็มีเนื้อหาสาระอยู่ถึงแม้ว่าเป็นเนื้อหาสาระที่อาจาจะไม่ได้มีมาแต่แดงเดิอสายพฤติการอย่างเช่นประเพณีที่เรียกว่าจุลกะถินน่จุลกะถินอันนี้ก็ให้ชาวบ้านนี่เป็นประเพณีชาวบ้านนี่เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งแต่เก็บฝ้ายนะเก็บฝ้ายนะมาปั่นเป็นได้และจักได้นี่ก็มาทอเป็นผ้าบางทีก็ไปถึงขั้นตัดเย็บแล้วก็ย้อมด้วยให้เสร็จภายในหนึ่งวัน โอไม่ใช่ง่ายนะชาวบ้านแต่ก่อนก็ทอผ้ามาถวายพระอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กาหนดว่าต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันแต่ว่ากระินเนี่ยนะันเป็นโอกาสที่จะทำเช่นนั้นมันก็ต้องาศัยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านบรรยากาศก็คึกคักคึคลืคค้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นแกนก็คือความร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งประกอบด้วยศรัทธาคือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยมันก็มีแรงจูงใจหลายอย่างนะบางอย่างก็ร่วมแรงร่วมใจเพราะมีผลประโยชน์เดียวกันอาจจะเป็นทำไปด้วยอนานาจของตันหาโลภะอย่างพวกนักเรียนชืว่าร่วมแรงร่วมใจกันไปเตีอะไรเงี้ยนะหรือว่า ร่วมแรงร่วมใจกันไปป้นไปจี้ไปฉุดพระอนาจาร์เนี่ยนีมันก็เป็นขารร่วมแรงร่วมใจที่มันมีจุดมุ่งหมายที่เป็นอธรรมหรือว่ามีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าชาวบาสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าเป็นงานกริ่นก็จะร่วมแรงร่วมใจกันโดยมีศรัทธาศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในบุญกุศล ก็ไปร่วมกันนะนะทําสิ่งที่ทําได้ยากนะนะเรียกว่าจุลกรถินนะแต่ว่ามันมีอันนี้สงมากนะอันนี้สงมากกว่ามหากรถินมหากรถิ่นก็คือกรถินที่มีบริวารเยอะจุลกรินเรียกงั้นก็เพราะว่ามันมีแต่ผ้ามีแต่ผ้าเป็นหลักบริวารก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าไม่มีเวลาจะไป หาบริวารมาเพราะเวลาในทุ่มเทเกิดการทำการทอผ้าให้เสร็จภายในเวลาหนึ่งวันแต่ถึงแม้จะมีแค่ผ้านะแต่ว่าก็เป็นผ้าที่เกิดจากศรัทธาที่เรียกว่าท่วมทนนะแล้วก็เป็นผลที่เกิดจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆ มหากระินอาจจะเกิดจากเศรษฐีที่มีเงินนะ<ม>ก็เป็นเจ้าภาพ<ม>ก็สามารถจะหาหาซื้อบริวานนะมาประกอบกระทินได้แต่ว่าเศรษฐีเนี่ยนะจะทำจุลกระินเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าไปสั่งให้ใครทำาก็ไม่ทำหรอกแต่ถ้าเขาจะทำก็ทำด้วยศรัทธา เพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าชื่อว่าตือกระถินนะคือก็ถถิ่นกองเล็กๆแต่ว่าก็มีอนิสงส์มาอันนี้ ก, นนนก็ในกระบวนการที่ร่วมแรงร่วมใจกันก็มีความรื่นเริงนะสนุกสนานไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นการประสานกับล่วงงานบูรกับงานรื่นเรนะิงคนทําก็มีศรัทธาทําแล้วเกิดความสมัครคีขณะตดียวกินก็สนุกด้วย หรือว่าประเพณีที่เรียกว่าหรือทำเนียมที่เรียกว่ากรถินโ จ, นรออจรหรือกร ถ, ถินจรจริงๆคงชื่อกรถินจรอนะแต่ว่าเรียกไปเรียกมากันเป็นกรถินโจรบางทีก็เรียกกรถินตกค้างแต่พอผู้สั้นๆก็เรียกกนะถินตกกรถินตกค้างเนี่ยหรือกรถินจรเนี่ยหมายถึงอะไรก็กหมายถึงว่า คนที่ไปทอดกระถินโดยที่ไม่ประกาศล่วงหน้าจะเรียกว่าจู่โจมก็ได้ที่จู่โจมก็เพราะว่าเขาตั้งใจจะไปทอดกระถินให้กับวัดที่ไม่มีใครทอดนะเรียกว่าเป็นวัดตกค้างนยะวันไหนที่ไม่มีกระถินเนี่ยเขาก็จะจะขึ้นไปทอดเลย ที่เราขึ้นไปทอดเพราว่านั่งเรือนะสมัยก่อนนี่ยวันเนี้ยก็อยู่ริมน้ําทั้งนั้นแหละหรือพระพักกลางเนี่ยวัดก็อยู่ริมน้ําแล้วก็วัดที่มีการทอดกรถินแล้วหรือมีการจองกรถินแล้วเขาก็จะเขาก็จะผูกติดธงเอาไว้แ ส, ส่วนส่วนใหญ่เป็นเป็นธงจระเคนธะงจระเคน เป็นเครื่องหมายว่าจองแล้วนะมีคนจองกะถินแล้วหรือแม่ก็แสดงว่าวัดนี้ทอดกะถินแล้วก็จะมีคนที่มีจิตศรัทธานเนี่ยนะอาจจะมาจํานวนหนึ่งไม่มากนะอาจจะสองสามคนก็ได้พายเรือไปตามลำน้ำเห็นวัดไหนนี่ไม่มีไม่ติดธงไม่ติดธงจระเข้ก็แปลว่ายังไม่มีกะถินก็จะขึ้นไปทอดเลยนะ แล้วนะ เ, เป็นการทอดแบบปุุปับมากอาจจะไปขึ้นไปแจ้งเจ้าว่าให้ทราบาเจ้าว่าก็ไปเรียกชาวบ้านมามารับรู้นะเสร็จวันนี้ก็ต่ออีกนะไปต่ออีกนั่งพายเรือไว้เรื่อยๆนะเจอวัดไหนที่ไม่มีกระถินก็ขึ้นไปทอดเลยเสร็จแล้วก็ไปต่ออีกนะ อันนี้เราเป็นเป็นเป็นประธรรมเนียมที่แสดงความมีศรัทธามีน้ําใจมีเมตตามากนะคือมีความเห็นอกเห็นใจนะวัดที่ตกค้างนะที่จริงการที่วัดเนี่ยมไม่มีกระถินก็ไม่ใช่เรื่องน้านาับอายนะมันไม่ใช่เรื่องน้าอบอายแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยชาวบ้านเขาสูว่าเป็นหน้าเป็นตา ถ้าวัดมีกระถินเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าเป็นที่ภาพปุ้มใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกระถินเนี่ยก็จะก็จะมีเนี่ยถ้าสมัยนี้เป็นพวกจิตอาสาเป็นพวกจิตอาสาพายเรือไปดูว่าวัดไหนยังไม่มีกรถินก็ไปทอดเลยก็ต้องมีเงินพอสมควรนะมีเงินในที่นี่คือมีมีเงินซื้อผ้าผ้าผ้าที่ทำเป็นจีวร อาจจะมีบริยนมีบริยนบ้างเล็กน้อย่ายเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่จะทำช่วงใกล้ๆจะถึงวันวันลอยกระทงก็คือใกล้จะกล้จะหมดฤดูกาลแล้วพวกเนี่ยเป็นบุคคลที่มีน้ำใจดีก็พายเรือไปสมัยก่อนเนี่ยประเพณีมันนี่มันทำได้เพราะว่าวัดเนี่ยเขาอยู่ติดหรือติดน้ำอยู่ริมน้ำเดี๋ยวนี้มันทยากแล้วล่ะเพราะว่า เราไม่ได้สันตางันทางน้ําเราสันตรงันทางทางรถนะแล้วก็วัดบางทีก็อยู่ลึกเข้าไปในซอยขับรถในถนนใหญ่เนี่ยบางทีก็เห็นวัดไม่กี่วัดนะซึ่งก็มักจะมีการทอดกรถินส่วนวัดเล็กๆลซึ่งอยู่ในในเขตอยู่ในในที่ลึกๆเนี่ยถ้านั่งรถไปก็ไม่เห็นนะไม่เหมือนพายเรือภายเรือเนี่ยนะจาก ต้นน้ำไปปลายน้านเนี่ยมองไปสองฝั่งก็รู้แล้ววัดไหนมีกรถินวัดไหนไม่มีกรถินวัดไหนตกค้างคามเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ทำให้กรถินโจรกรถินตกค้างหายากแล้วก็ยังแต่ยังมีบ้างอันนี้ก็น่าเสียดายนะไอ้ส่วนที่มันเป็นสาราเป็นงานบุญมันค่อยๆหายไปไอ้ส่วนที่เป็น างานรื่นเดิมก็เข้ามาเข้ามาทดแทนมาแทนที่จกนกระทั่งอาจจะเกินเลยขอบเขตนะของงานบุญไปเช่นชีวายมีระบียจำบะบ้างหรือว่ามีการกินเหล้าเล่นการพนันบ้างที่สุกโตอย่างที่บอกนะก็ตั้งแต่ ต, ตักงแต่นายตะไลมาเลยงที่หลวงพ่อท่านสามารถจะพูดคุยให้ชาวบ้านเข้าใจได้เนี่ยเรื่องการที่จะมีหมอนรศอย่างหมอลำหรือว่าร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าใช้หนังก็ไม่มีก็ จ, จะดูตื่นตื่นไปบ้างนะแต่ว่า มันก็ยังแล้วก็ยังรักษาคุณค่าในทางในทางที่เป็นงานบุญเอาไว้นะก็คืองานที่มีเนื้อหาสาระแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่จริงสมัยก่อนนี่มันก็แต่ว่าแปมก็ทำอะไรไม่ได้มากนะ เพราะว่าวัดก็อยู่ไกลจำได้สมัยที่มาบวชใหม่ๆครรศาแรกปีสองหกนะที่สุกโตเจ้าภาพกฐินเนี่ยเข้ามาทอด น, นี่ก็มาคนเดียวนะมาคนเดียวเป็นผู้หญิงอายุประมาณตั้งสี่สิบก็ไม่เคยมาวัดปาสุกโตแล้วก็ก็อาจจะไม่ได้รู้จักหลวงพ่อคำเขียนมาก อาจจะเคยไปฟังแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วพอทราบว่าหลวงพ่อคาเขียนอตั้งวัดป่าอยู่ในอยู่บนเขาก็อยากจะถวายกรถินนะให้กับวัดของหลวงพอ่อรู้สึกว่าจะเป็นโยมของวัดเสือวันแล้วเขาก็พูดกับหลวงพ่อว่าเนี่ยกระถินเขาเป็นกระถินเล็กนะ เงินก็ไม่มากก็แค่คงไม่เกินสองหมื่นนะะหลวงพ่อจะจะรับไหมที่พูดงี่ยวก็ว่ากระถินเนี่ยนะแต่และ ว, วันเนี่ยรับได้แค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีถ้ารับรับกองนี้แล้วก็ห้ามรับกองอุกกองอื่นละ โยงนี้เรก็เลยถามเนี่ยว่าถามด้วยความเกรงใจว่าหลวงพ่อจะรับกรินของเขาไหมเพราะว่าเป็นกรินกองเล็ก็เกิดรับของเขาแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสแล้วที่จะไปรับกริ่นกองอื่นซึ่งอาจจะใหญ่กว่าอาจจะมีเงินมากกว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเงินอยู่แล้วนะใครมาก่อนก็ได้ก่อนท่านก็เลยรับแถ้าถึงวันงานนี่ก็ก็มาแค่คนเดียวนะคือเขาคงตั้งใจจะทำบุญทอดกับสิมเท่าให้กับอุทิศบุญให้กับแม่ด้วยนะมานี้ก็มานอน ที่สาระไก่นะสาระไก่ก็เป็นสาละเก่าๆสมัยก่อนผื่อ่บ้านกุ่มงงก็ต้องมามาเฝ้าเป็นยามมานั่งมาเฝ้านะเพื่อรักษาความปลอดภัยอันนี้จริงๆคงไม่มีอะไรที่จะอันตรายหรอกแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นธรรมเนียมชาวบ้านนะมีอาคาตุกะมาก็ต้องให้การต้อนรับแล้วก็ช่วย ดูแลความปลอดภัยสมัยก่อนบ้านให ม, ไม่ไม่เป็นหมู่บ้านนะไม่มีผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกุญงงก็ต้องมาดูแลบ้านใหม่ด้วยผู้ใหญ่บ้านกุญงงนีนตอนหลังก็เป็นนายกอบาตทา้ามไฟวานเนะี่ยแล้วก็อยู่สมัยหนึ่งนะ กระถิงก็ไม่มีอะไรมากนะวันลุ้งขึ้นก็ทอดกันง่ายๆแล้วก็กลับไปนะกระถิงที่เรียบง่ายมากนะเงินก็ไม่เยอะมีบาดสเตนเลนะอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็ไตจีวรแล้วของเล็กๆน้อยๆเพรามาคนเดียวเนี่ยที่จริงมาก็ยากนะเพราะฝนตกด้วยนะฝนตกกว่าจะมาถึงได้ก็เรียกว่าเย็นและค่และ อันนี้ก็คือกระถินของสุโตโตสมัยสามสิบกว่าปีก่อนนะซึ่งมันต่างจากสมัยนี้มาสมัยนี้คนเจ้าพาก็เยอะนะนะมีสิบกว่าคนสิบกว่าคณะแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมจิตศรัทธามาเทามาตั้งโรงทางก็มากจนมาทั่ง ท, ที่เตรียมไว้ก็ไม่พอโยมที่มาร่วมงานนะก็ หลายร้อยนะยนสิ่งที่ยังคงอยู่นะ <c oughs> ก็เพยียงรักษาไว้ก็คืองานบุญแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือความรื่นเริงนะการที่มาร่วมกันคนละคนละไม้คนละมือนะโดยเพราะมาตั้งโรงทานเนี่ยนะมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศความรื่นเริงนะความเฉลิงการเฉลิมฉลองซึ่งมันก็ เป็นงานเรื่องเลงที่เจือหรือว่าที่มีแกนกลางก็คือความเมตตากรุณาความเอื้อเฟือ้อเพราะรงทานเนี่ย ก, ก็คือชื่อมับอกอยู่แล้วว่าทานก็คือว่าเป็นการให้ให้ด้วยจิตเมตตาตากนาดีนะจะเป็นใครมาก็กินฟรีทั้งนั้นนะอันนี้ก็ทําให้เกิดบรรยากาศที่รื่นเลงขึ้น นะแต่ก็ไม่ได้ลื่นเองเกินขอบเขตยังยังเป็นการลื่น ง, งานลื่นเองที่เป็นงานบุญไปด้วยในตัวนะเพราะว่าเป็นการทำด้วยความเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่ความมีน้ำอกน้ำใจกันใครที่มีกำลังก็มาช่วยคนละไม้คนละมือนะ ไม่ว่าไม่เบว่าจะต้องเป็นคนมีเงินนะไม่มีเงินมีบ้างนิดหน่อยอ้าวก็มาก็มาออกร้านหรือว่ามาตั้งโรงทานได้ะจะอําจะช่วยอํานวยเลี้ยงคนได้ไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรอันนี้มันก็เป็นการสร้างอย่างความรื่นเรองที่ส่งเสริมธรรมะนะหรือประกอบไปได้วยธรรมบางคนจะมี แบบนี้มากๆนะคือการเอางานบุญกับงานรุ่นเริง ม, มามาเชื่อมกันแล้วคุนในสมัยเก็เก่งเรื่องนี้มาเนะี่ยงานบุญเนี่ยมันก็ไม่ทิ้งงานรุ่นเริงนะมีซึ่งก็เป็นการส่งเสริมไปในตัวนะเป็นการชักชวนคนให้มาทําบุญนะบางคนไม่สนใจเรื่องบุญกุศลหรอกนะแต่พอมีมี มีงานรื่นเริงกันในวัดก็มาวัดนะทั้งปีทั้งชาก็มาแค่ครั้งสองครั้งแต่จริงคสมัยก่อนนี่มาวัดบ่อยนะเราะว่างานรื่นเริงมันเกิดขึ้นที่วัดบ่อยสมัยก่อนเนี่ยวัดก็เป็นสถานจะ เ, เรียกว่านะสถานจัดเขเรียกว่าสถานบันเทิงก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยงานบันเทิงอะไรก็มาจัดที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์การชุมชนนะมีอะไรก็มาจัดที่วัดหมดนะ โรงเรียนก็ทาที่วัดตั้งที่วัดจี่มีชื่อว่าโรงเรียนวัดเนี่ยสถานบริการโรงพยาบาลบ้านพักคนชราหรือว่าสถานสงเคราะห์พิพิธภัณฑ์สถานศึกอาชีพก็อยู่ที่วัดหมดแหละ แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำแบบไม่ได้มีการตั้งติดป้ายว่าอันนี้คือสถานสงเคราะห์ น, นี่คือโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเนี่ยแต่ละวัแต่ละวัะวก็มีบริการให้สังคมมากมายรวมทั้งเนี่ยการจัดมหราศพหรือว่าความบันเทิงด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ใน ความพอดีนะไม่ได้มากแม้แต่เรื่องเรื่องการกินเหล้าในคนไทยสมัยก่อนเนี่ก็กินเหล้าเฉพาะงานเทศกาลนะผู้อยญ่นี่คือเทศกาลนี่คืองานที่เปิดโอกาสให้ให้กินเหล้าได้โดยเฉพาะงานสงกรานงานงานงานที่ไม่เกี่ยวกับาศาสนาโดยตรงนะงานสงกรานงานบุญบั้งไฟอันนี้เป็นงานปล่อยผี จะมากินเล่าก็มากินกันช่วงนี้แหละไม่ว่านะจะมาทําอะไรทะลึ่งสับ ป, ประรดก็เอาช่วงนี้แหละจะแก้งพระ ก, ก็เอาช่วงนี้แหละนอย่างที่เคยเล่านะบางทีผู้หญิงก็แก้งพระแก้งเนนชุดก็ะชากลากเนะี่ยมาสารพัดแต่พอหมดเทศกาล้วนะก็อยู่ในสีในธรรมเพื่อตัวเรียบร้อย เล่าเลิกก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ตลังมันลามไปนะพอไม่ใช่กินแต่เฉพาะในเทศกาลนอกเทศกาลก็กินแล้วก็ไม่ใช่กินกันเป็นกลุ่มนะพี่ก็กินคนเดียวกินคนเดียวแสดงว่าหนักแล้วนะก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครั้งนี้เนี่ยก็ อันนี้ก็เป็นเป็นการเล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเพื่อเรารู้ว่าให้ ง, งานบุญของคนใดสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็มีสีสันนะเป็นเป็นงานลือเหลืองไปในตัวนั่นแล้วก็ในด้านหนึ่งก็เป็นความลือเรื่องเพื่อชวนให้คนได้เข้ามาทําบุญเป็นการลือเหลืองเพื่อชวนให้คนได้เข้ามามาวัดมาเจอพระแล้วก็ได้มีการฟังธรรม ้าท่านก่อแสดงธรรมคือนะแม้ไม่อยากจะมาฟังก็ต้องฟังนะเพราะว่ามาวัดเพออยากจะสนุกนะก็ต้องฟังนะคนก็ฟังเราก็ต้องฟังบ้างมันก็ได้อะไรเป็นสาระติดนะติดตัวไปบ้างนะงานบุญพระเวทนะก็เหมือนกันนะมันก็เป็นความรื่นเริงคนมาก็เพราะความรื่นเริง น, นะ แต่มาแล้วก็มาฟังธรรมมาฟังอยากจะมาฟังแหลแต่แลนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไวสสันดรเออมก็ได้ธรรมะติดตัวติดใจไปคนสมัยก่อนจริงเนี่ยเามาว่าเขาไม่ได้มามาเพราะ เ, าเรื่องอยากจะสนใจธรรมะหรอกนะ เ, เขามาเพื่อทําบุญและบุญที่เขาเข้าใจเนี่ยก็คือมันมีความรื่นเลืองไปด้วยทำมากกับความความ กับความรื่นเริงหรือความมีสีสันเนี่ยมันก็มันก็เพื่อกันนะแต่ว่าเราก็ต้องรักษาความพอดีเอ่าเช่นเราเรื่องเดินยังไงเออแต่ว่าใจเราก็เป็นปกติได้เราก็ลื่นเริงตามเทศกาลเราก็รื่นเริงตามตามงานนะแต่ว่าใจเราก็อไม่ทิ้งการปฏิบัตินะ การปฏิบัตินี้ไม่ใช่แค่ความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในรูปของทานอันนี้รวมถึงการที่เรามีสติดูกายดูใจไปด้วยนะความรื่นเริมมันก็เป็นการเติมสีสันนะให้คนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่ซ้ำซากจำเจ ก็เป็นการผ่อนคลายนะแต่ว่าก็ก็ต้องมีสตินะดูรู้รู้ใจไปด้วยนะเพราะว่าบางทีมันเพลินไปจงการเป็นความหลงก็มีนะแต่จริงๆถ้าเราปฏิบัติไปมากๆเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งมันก็สามารถจะผ่อนคลายได้นะโดยที่ไม่ต้องอาศัยความรื่นเริงหรือ เทศการงานบุญ น, นะบางทีเราเดินตรงกลมในป่าปฏิบัติในป่าก็มีอะไรให้ผ่อนคลายนะธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเสียงนกร้องต้นไม้ที่ออกดอกใบไม้ที่มีสีสันแตกต่างกันอันนี้มันก็เป็นการเติมเพิ่มสีสันให้กับการปฏิบัติได้ มันก็ทำให้ผ่อนคลายได้ท้าสุดท้ายความสนุกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ต้องเนีอาศัยการลืร่นเลืองหรือมหรศพ ก, ก็ได้ความสนุกก็เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติไปก็สนุกไปมีความเพลินในการปฏิบัติมีความเพลินหรือมีความสุขกับการรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะ มันก็เป็นสีสันของการปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อาศัยสิ่งเราสิ่งเย้ายวนอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกว่าออการที่ทำสิ่งยากให้สำเร็จได้มันก็เป็นความท้าทายเป็นความสนุกออการที่เราได้ เ, ออเรียกว่าเรียกว่ารู้ทันกิเลสนะ เหมือนกับโปลิซับขโมยไงตอนอเด็กๆเนี่ยเคยเล่นนะโปลิจับขโมยให้ ก, การมารู้ทันกิเลสเนี่ยซึ่งมันก็มีอุบายหลอกล่อเราต่างๆสารพัดแล้วเรารู้ทันมันเราจับมันได้เนี่ยเออมันก็เหมือนกับเล่นโปลิจับขโมยตอนเด็เกๆนะมันก็เป็นความสนุกแบบหนึงนะ่งเสียท่ามันก็ไม่เป็นไรเนะสียท่ามันก็เหมือเนเล่นกีฬาเล่นกีฬารับแพ้อ่าไม่เป็นไรเราก็เอาใหม่ มันเป็นการชักเยเย่อกันระหว่างความรู้ความรู้ตัวความหลงการปฏิบัติเนี่ยดูดีมันก็เป็นเรื่องการชักเยเย่อกันรู้กับหลงมันก็ชักเยเย่อบางทีก็หลงก็ชนะเราซึ่งต้องการส่งเสริมตัวรู้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามเพิ่มกําลังให้ตัวรู้ให้ตัวรู้เนี่ยมัสามารถชักเคยเยอ่อเอาชนะตัวหลงได้ นี่มันก็เป็นเป็นเป็นกีฬาหรือความบันเทิงนะที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันในระหว่างการปฏิบัตนะิปฏิบัติก็สนุกไปด้วยนะเดี๋ยวว่าเลยแม้กระทั่งป่วยนะหลวงพ่ อ, อยังหลวงพ่อขอมเขียนแล้วก็ยังบอกว่าสนุกป่วยได้เลยนะป่วยก็ยังสนุกได้นะปฏิบัติก็สนุกได้นะไม่ใช่ไหมว่าต้องมีมหรสพมีดนตรีมี อ, อะไรต่ออะไรมาอันนี้เราก็ต้องม า, ามาเรียนรู้นะมาทําให้มันเกิดขึ้นนะสนุกปฏิบัติสนุกจเจริญสะติด้วยนะถ้าทำได้เนี่ยก็ชื่อมันก็ไม่จืดชืดนะการปฏิบัตินอกปฏิบัติก็ไม่ได้ติดชืดนะทั้งปีทั้งชาติก็ยังมีสีสันได้ แต่ในมายก็ต้องอาศัยสีสันจากภายนอกนะสิ่งความรื่นเริงจากภายนอกมาเพิ่มเติมให้ชื่อมันมีสีสันไม่ติดชื่ออันนี้เราก็ค่อยๆพัฒนาไปธรรมะ ก, กับความหันสามก็ไม่ได้แยกจากกันนะธรรมะหันสานี่ธรรมะหันสานี่ก็เป็นสิ่งที่ ทำได้นะมันไม่มต้องอาศัยสิ่งเราจากภายนอกก็ได้ก็เรียนรู้ไปพัฒนาไปนะอาศัยการปฏิบัติสายการเรียนรู้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถจะทําให้เกิดความสนุกในการปฏิบัติซึ่งที่จริงเนี่ยในความถ้าเรามีฉันทะเนี่ยฉันทะคือความพอใจเนี่ยมันก็ให้ความเพลินเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ง่าย คนเราพอมีฉันท่านในการเรียนนักการเรียนก็สนุกนะที่นักเรียนทุกวันนี้เรียนไม่เรียนแล้วเบื่อไม่อยากเรียนเพราะพาะมันไม่มีฉันท่าหลายคนเบื่องานไม่อยากทำงานเพราะไม่มีฉันท่านในงานพอมีฉันท่านในงานนะมีความชอบในงานนะโอ้มันทำสนุกเพลินะทาจนถึงทาชนิดไม่ยอมกลับบ้านก็มนะีหรือไม่ยอมนอนก็มีนะ มันมีความเพลินนะเพราะมีฉันทะและฉันทะเกิดขึ้นส่วนนึงก็เพราะรู้ว่าทําไปทําไ ม, ไมนะเรียนไปทําไมนะถ้ารู้ว่าเรียนเพื่อเอาความรู้เพื่อได้เห็นโลกได้กว้างไกลมันก็เกิดฉันทะทํางานถ่ารูวมเป็นงานที่มีประโยชน์ช่วยเหลือส่วนรวมนะหรือจะมองว่าเป็นการสนองประฏิตอบสนองประฏิทางในหลวงหรือเป็นการสื่อต่อศาสนา พอเห็นว่ามันมีคุณค่ามีความสําคัญขนาดนี้ก็เกิดชั้นท่าขึ้นมาได้พอฉั้นท่าเกิดขึ้นนะความสนุกก็ตามมาวิริยะก็เป็นเรื่องง่ายนะความเพียรก็เป็นเรื่องง่ายนะไม่ต้องเที่ยวเข็นนะกับฟันทนกับฟันทำนะมันเป็นเองนะให้้เรามีชาติในการปฏิบัตินี่นะใ้ความสนุกความเพลิดในการปฏิบตัติความความเพียร มันก็มาเองในที่สุดนั้นก็ลองนะลองศึกษาลองพัฒนาจิตใจงเราไปในทางนี้นะอ้าวชาทีพุกธทนนี้อากาศพระธรรสัมมาสัมพุทธ佛 พ, พุทวารุูตานพระชาวันตานธิวาเท ตัวพาตัวสัรนิมตุิปโนชาภาตัวชาภาสังโฆธมนม